ส่วนในระดับการดำเนินชีวิตสามัญของคนทั่วไปหลักธรรมที่คุ้นกันมากซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำเอาองค์มรรคออกมาจัดใช้ในทางปฏิบัติได้แก่ธรรมจริยาสิบประการที่รู้จักกันดีในชื่อว่ากุศลกรรมบทสิบทางธรรมความดีหรือกุศลกรรมที่เป็นทางแห่งสุขติหรือที่บาลีบางแห่งเรียกว่าอาริยธรรม บาลีเป็นอริยธรรมะคือธรรมะของอริยชนหรือธรรมะที่ทำให้เป็นอริยชนและอัตกถาถือว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะของมนุษย์หรือธรรมะที่ทำให้เป็นมนุษย์มีหลักดังนี้ธรรมะจริยาเริ่มด้วยหมวดศีลคือประกอบด้วยสัมมาการมันตะ เว้นปานาติบาตเว้นอธทินาทานเว้นกาเมสุมิชาจาร์และสัมมาวาจาเว้นมุสาวาตเว้นปิสุณวาจาเว้นพรุสวาจาเว้นสัมผัสปลาปะบวกสมาธิคือสัมมาสมาธิประกอบด้วยอนัพิชาและอพยญบาตบวกปัญญาคือสมาธิฐิ มีสัมมาทิฏฐิแล้วจึงไปสู่สุขติไปสู่วิมุตติหมายเหตุธรรมจริยาซึ่งมักเรียกว่าอุศลกรรม บ, บทสิบนี้แทบทุกข้อแยกความเป็นสองตอนคือเว้นอะไรกับทำอย่างไรเป็นท่อนลบกับท่อนบวกจึงควรเขียนดังนี้ 1. เว้นปานาติบาตปรารถนาดีต่อทุกคน 2. เว้นอธินาทานเคารพกรรมสมิทธิ์ 3. เว้นกาเมสุมิฉาจานไม่ละเมิดจารีต 4. เว้นมุสาวาตพูดคำสัตว์ 5. เว้นปิสุนาวาจาพูดสมานสามัคคี เว้นพรุษวาจาพูดคำไพเราะเเว้นสัมผัสปลาปะพูดคำมีเหตุผลมีประโยชน์แปดอนัพิ ช, ชาไม่โลภจ้องจะเอาของใครเก้าไม่พยาบาทคิดเมตตาและสิบมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามคลองธรรม หลายท่านอ่านแล้วอาจจะทวงว่าไม่เห็นมีองค์ธรรมในฝ่ายสมาธิเลยขอตอบง่ายๆว่าในระดับชีวิตของคนทั่วๆไปนี้ไม่เน้นการปฏิบัติขั้นสมาธิเด่นชัดออกมาแต่องค์มรรคฝ่ายสมาธิก็มีแทรกอยู่แล้วนอกจากหลักที่ว่าสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นธรรมะที่ต้องใช้พร้อมไปกับการปฏิบัติองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อแล้ว ที่จำพาะชัดลงไปอยู่ที่ว่าสมาธิในความหมายหนึ่งก็คือภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ตรงกับธรรมจริยาข้อ8และ9คืออนัพพิชาและอภยาบาศซึ่งเป็นภาวะจิตปราศจากนิวรณ์อัพพิชาหรือกามชันทะเป็นนิวร์ข้อที่หนึ่งและอภยาบาตเป็นนิวรข้อที่สอง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองโดยทรงจัดอนนาพิชชาและอภยาบาสนี้ว่าเป็นจิตตาสัมปทาเมื่อถือตามพุทธพจน์นี้จึงจัดธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบวชสองข้อนั้นเข้าในสัมมาสมาธิในอังคุตระนิกาติการนิบาศจัดกุศลกรรมบวหรือธรรมจริยาเข้าในตรายสิกขา นอกจากนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาทั้งหมดนี้เมื่อมองในแง่ของชีวิตด้านในก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบำเพ็ญสมาธิอย่างได้ผลดีต่อไปนั่นเองจะเห็นว่าธรรมจริยาเน้นหนักในด้านศีลละหลักทั่วไปมีอยู่แล้วว่าศีลที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิ ดังตัวอย่างที่น่าสังเกตเช่นลักษณะอย่างหนึ่งของคำหยาบคายได้แก่อัสมาธิสังวตานิกาคือไม่ช่วยให้เกิดสมาธิการกล่าวคาสุภาพจึงมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งว่าเพื่อช่วยเกื้อกูลแก่สมาธิมีข้อสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าผู้อ่านจะสังเกตด้วยหรือไม่คือในการสอนทั่วไป มักจะเน้นกันแต่แง่ลบของกุศ ล, ลกรรมบทรหรือธรรมเจริยาคือเน้นการเว้นหรือละไม่สู้ย้ำแง่บวกที่ว่าควรทำหรือปฏิบัติอย่างไรทั้งที่ในบาลีท่านแสดงไว้พร้อมทั้งแง่ลบและแง่บวกแถมท้ายด้วยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าระหว่างศีลห้าหรือเบญจศีล กับธรรมจริยาหรือกุศ ล, ลกรรมบทสิบนี้อย่างไหนควรหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเน้นในการสอนมากกว่ากันหรือถ้ายอมให้แบ่งตอนกันโดยเริ่มด้วยเน้นสิ่5ห้าก่อนก็อาจจะถามว่าเมื่อไรจะก้าวไปถึงขั้นธรรมจริยากาันสักทีข้อนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณาเรามักเข้าใจกันว่า ศีน5าเป็นมนุษยธรรมแต่ดังที่เคยอ้างแล้วว่าในอัธกถาท่านจัดว่าอุศลกรรมบทสิหรือธรรมจริยาสิบข้อนี้เป็นมนุษยธรรมอาจจะมองเหตุผลได้ว่าศีน5านั้นเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มนุษย์อยู่กันได้โดยไม่เบียดกันมากเกินไป และไม่ให้สังคมวุ่นวายระสำไรายแต่ยังไม่พอแก่ความเป็นมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีใจสูงถ้าจะให้สมที่จะเป็นมนุษย์ได้จริงจึงต้องมีธรรมจริยาสิ์หรือพระพฤติได้ในขั้นของกุศลละกรรมบท10ิบประการนี้ถ้าเทียบตามหลักของมัตจะเห็นชัดว่าศีลห้าอยู่แค่การควบคุมกายวาจา เป็นการปฏิบัติด้านศีลเท่านั้นแต่ธรรมจริยามีครบทั้งด้านศีลด้านจิตหรือสมาธิและด้านปัญญาพูดได้ว่าธรรมจริยานั้นเป็นมรรคที่จัดเป็นหลักความประพฤติปฏิบัติในระดับที่เหมาะสำหรับมนุษยชนทั่วไป